เมื่อปลายปี2555เราได้มีโอกาสเดินทางไปยังบ้านพักของพ่อที่จังหวัดลบบุรีซึ่งพ่อทำงานอยู่ที่นี่และได้เจอะเจอกับเหตุการณ์สยองขวัญที่ชีวิตนี้ไม่มีทางลืมวันนั้นเรามาถึงลบบุรีประมาณ10โมงแต่ก็ยังไม่ได้เข้าไปหาพ่อที่บ้านขับรถลัดเลาะหาที่เที่ยวไปเรื่อย เพราะไม่มีโอกาสได้มาแวะเที่ยวแวะกินจนบ่ายแก่ๆจึงตัดสินใจกลับมาถึงบ้านก็สวัสดีพอ่อพูดคุยกันนิดหน่อยพ่อบอกว่าให้เราขึ้นไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าจะได้ลงมาทานข้าวพร้อมกันต้องอธิบายลักษณะบ้านบ้านหลังนี้เป็นบ้านปูนสองชั้นฝั่งตรงข้ามบ้านจะเป็นป่าหญ้า แล้วก็มีต้นก้ามปูใหญ่สูงตระหง่ า, งานอายุไม่น่าจะต่ำกว่า30ถึง40ปีบ้านหลังนี้นอกจากพ่อแล้วก็ยังมีลุงจิตเป็นเพื่อนพ่อและภรรยาของแกอาศัยอยู่ด้วยเราทั้งสี่คนนั่งทานข้าวไปดูทีวีไปพลางหลังทานข้าวเสร็จก็นั่งทานผลไม้ แล้วก็คุยสเปเหระจนเกือบสี่ทุ่มเขแยกย้ายกันเข้าห้องนอนลุงจิตกับภรรยาแกนอนที่ชั้นล่างของบ้านส่วนเรานอนห้องใกล้ๆห้องพ่อซึ่งแต่เดิมเป็นห้องของลูกชายลุงจิตที่ตอนนี้เขาไปทํางานอยู่ที่เมืองนอกนานๆจะกลับบ้านมาสักทีหลังจากเข้าห้องมาได้สักพักพ่อก็มาเคาะประตูเรียก เราเปิดประตูออกไปถามพ่อว่ามีอะไรเหรอพ่อพ่อเราบอกว่าคืนนี้นอนที่นี่อย่าลืมสวดมนต์บอกเจ้าทีเจ้าทางด้วยนะแล้วก็ท่าดึกๆได้ยินเสียงอะไรผิดปกติห้ามลุกมาดูห้ามทักห้ามพูดอะไรทั้งนั้นเข้าใจไหมเรากค่อนข้างแปลกใจกับสิ่งที่พ่อพูดแต่ก็ไปยักหน้ารับทราบ แม้ในใจตอนนี้อยากจะถามออกไปแต่ก็พอจะรู้ว่าพ่อคงไม่บอกหรือจริงๆมันไม่ได้มีอะไรพ่ออาจจะมาแค่เตือนตามปกติเพราะพ่อรู้ว่าเรามีสัมผัสที่6ชอบเห็นพูดผีวิญญาณเที่ยงคืนกว่าแล้วเราก็นั่งนอนดูทีวีด้วยความที่แปลกที่ทำให้นอนไม่หลับ ก, ก็เลยดูนั่นดูนี่ไปเรื่อย บวกกับนอนคิดว่าพรุ่งนี้จะไปไหนอีกดีมาที่นี่ทั้งทีก็ต้องเที่ยวให้คุ้มแล้วก็คงปลอยหลับไปมารู้สึกตัวอีกทีตอนตีสอง ก, กว่ารู้สึกปวดชี่อยากเข้าห้องน้ําแต่ห้องน้ํามันอยู่ชั้นล่างต้องเดินออกจากห้องและเดินลงไปนอกห้องไม่มือดอย่างที่คิดคงเป็นเพราะตําแหน่งของสอไฟฟ้า อยู่หน้าบ้านพอดีจึงทำให้ความสว่างสาดเข้ามาถึงในบ้านและระหว่างที่เรากำลังเดินลงบันไดไปชั้นล่างซึ่งตอนนี้ก็ยืนอยู่ตรงทางเชื่อมบันไดาจากตรงนี้เรามองผ่านหน้าต่างออกไปยังถนนหน้าบ้านตำแหน่งของหน้าต่างที่เรายืนอยู่เยี้งกับต้นกามปูเล็กน้อยและระหว่างที่เราสอดสายตาไปเรื่อยเราก็เห็นผู้หญิงคนหนึง่ง เดินอยู่ข้างทางแต่งตัวแบบชาวบ้านนุ่งผ้ถุงใส่เสื้อยืดสีขาวสวมรองเท้าแตะตอนนั้นในใจยังคิดว่าเป็นชาวบ้านแถวนี้ที่อาจจะออกมาหากบหาเขียดหรือไม่ก็อาจจะไปไหนมาแล้วก็พึ่งกลับมาก็ได้พอเห็นแบบนั้นก็ไม่ได้นึกสนใจอะไรกำลังจะ ก, ก้าวขาเดินลงบันไดไปต่ออยู่ดีๆ ก็มีเสียงหมาหอนดังต่อกันมาเป็นทอดๆระงมไปทั่วจากที่จะก้าวขาลงบันไดไปชั้นล่างตอนนี้กลายเป็นเปลี่ยนใจไม่ไปมัละห้องน้ำอันดีดีกว่าแต่ยังไม่ทันจะได้เดินกลับขึ้นไปชั้นสองเหมือนมีบางอย่างมาอดนใจให้เราหันกลับไปมองที่ตนการโปรอีกครั้งและสิ่งที่เราเห็นก็คือ ผู้หญิงคนนั้นยืนอยู่ใต้ต้นก้ามปูและกำลังจะปีนขึ้นไปเราค่อนข้างตกใจในสิ่งที่เราเห็นแต่ด้วยความอยากรู้ก็ยังยืนมองอย่าไม่คลาสายตาจนเผลอหลุดปากออกไปว่าปีนขึ้นไปทำไมวะและไม่นานคำตอบก็มาถึงเมื่อผู้หญิงคนนี้ ปีนขึ้นไปบนต้นก้ามปูสำเร็จตอนนี้เราไม่เห็นตัวผู้หญิงคนนั้นแล้วเพราะบนต้นก้ามปูค่อนข้างมืดจนมองไม่ค่อยชัดว่าผู้หญิงคนนั้นอยู่บริเวณไหนของต้นหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเราก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงเสียงนั้นดังและแหลมมากตอนนั้นสายตาเราก็ายังจับจ้องอยู่ที่ต้นก้ามปู เสียงกรีดร้องหยุดไปและอยู่ๆก็มีร่างของคนร่วงมาจากต้นก้ามปูเพียงแต่ร่างนั้นไม่ได้ร่วงลงมาที่พื้นร่างนั้นห้อยถงเตงอยู่กับกิ่งใดกิ่งหนึ่งของต้นก้ามปูโดยมีสิ่งหนึ่งรัดอยู่ที่ลำคอของร่างนั้นแล้วเสียงกรีดร้องก็กลับมาอีกครั้งพร้อมกับเสียงหมาหอน หัวหวนอย่างต่อเนื่องเราตื่นมาอีกทีที่ห้องรับแขกตอนเที่ยงของยิกวันคำแรกที่ได้ยินออกมาจากพ่อเจอจนได้ขนาดเตือนแล้วนะหลังจากที่พูดคุยกันเลยจับใจความได้ว่าผู้หญิงคนนี้มาผูกคอตายที่ตายตนกามปูเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเพราะว่าสามีเขาหนีไปกับเมียน้อย ทิ้งหนี้สินไว้ให้รับผิดชอบมากมายคงเครียดเลยหาทางออกให้ชีวิตตัวเองแบบนี้พ่อบอกว่าจะได้ยินเสียงกรีดร้องนี้ทุกคืนตั้งแต่เกิดเรื่องแต่พ่อไม่เคยออกมาดูพอพ่อรู้ว่าคืออะไรอีกอย่างวิญญาณเขาแรงมากขนาดเอาพระมาทำพิธียังไม่ไปไหนเลย